11. กรรมทำให้คนแตกต่างกันตามที่กล่าวมาพอจะทำให้มองเห็นได้บ้างแล้วว่าที่บุคคลต่างกันก็เพราะแต่ละคนมีความปรารถนามีการสั่งสมกรรมไม่เหมือนกันทีแรกเขากระทำกรรมลงก่อนต่อมาภายหลังกรรมนั้นเองได้ยกย้อนมาจำแนกเขาผู้ทาให้เป็นต่างๆ ต, ตามชนิดแห่งกรรมที่บุคคลน้นๆได้ทำลงไป ดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าดูก่อนมานกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้ต้องรับมรดกแห่งกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกรรมนั้นเองย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวบ้างให้ดีบ้างดังบาลีว่ากรรมมัสกามานวสัตตากรรมมาธายาธากรรมโยนี กรรมพันธุกรรมปฏิสรากรร ม, มังสัตเตเวิภัชติยะทิทางหินาปณีตตายะที่ว่ามีกรรมเป็นของตนนั้นคือเป็นเจ้าของแห่งกรรมของอย่างอื่นเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวเมื่อตายหาได้ติดตัวไปได้ไม่มีแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามวิญญาณไปทุกแห่งทุกชาติ ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรสมบัติของเราจริงๆคือกรรมดีกรรมชั่วที่เราทําหาใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่มรดกอย่างอื่นเช่นมรดกในทรัพย์สินที่คนอื่นเขาจะมอบให้ก็เป็นของไม่แน่นอนแต่กรรมที่เราทําแล้วเราต้องได้รับมันเป็นมรดกของเราอย่างแน่นอนเมื่อมันเป็นของเราแล้วจะมอบให้คนอื่นก็ไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคมะเร็ง ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหาัสลูกเมียพี่น้องได้แต่นั่งคอยดูจะแบ่งมาเป็นของตนบ้างก็ไม่ได้คนที่มีญาติมากๆและญาตรักถ้าแบ่งความเจ็บปวดไปได้เขาคงแบ่งกันไปคนละนิดละหน่อยคนป่วยคงหายแต่เพราะกรรมเป็นของของตนและบุคคลต้องรับบรดกแห่งกรรมใครทํากรรมอย่างใดไว้จึงต้องรับกรรมอย่างนั้นไป ลูกเมียผัวพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อาจแบ่งผลแห่งกรรมนั้นไปได้แม่หมอก็ช่วยไม่ได้ข้อว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดหรือเกิดมาเพราะกรรมหรือกรรมโยนีนั้นอธิบายว่าคนเราเกิดมาเพราะยังมีกรรมอยู่คือยังมีกิเลสมีกรรมและมีวิบากคือผลของกรรมผลของกรรมนั้นย่อมส่งวิญญาณให้เกิดในที่ต่างๆ ต, ตามความเหมาะสมแก่กรรม วิญญาณย่อมปฏิสนธิในที่ที่เหมาะสมแก่กรรมของตนคนไม่มีกรรมแล้วเช่นพระราหันย่อมไม่เกิดอีกมารดาบิดาเป็นเพียงที่อาศัยเกิดของบุคคลผู้ยังมีกรรมอยู่บางรายก็เคยเป็นบุตรเป็นมารดาบิดากันมาหลายร้อยชาติแล้วบางรายอุปนิสัยแห่งบุตรที่ดาไม่เหมือนมารดาบิดาเลย อุปนิสัยแห่งบุคคลแสดงถึงผลรวมแห่งกรรมของเขาที่เคยสั่งสมไว้ในรายที่ลูกมีอุปนิสัยคล้ายคลึงหรือเหมือนพ่อแม่แสดงว่าเขาได้เคยอบรมตนอย่างเดียวกันมาและมาเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องกันอีกบางรายก็เพราะการปลูกฝังอย่างหนักแน่นรุนแรงในปัจจุบันแต่ถ้าคนไม่มีอุปนิสัยในทางนั้นอยู่แล้วมักจะปลูกฝังไม่สําเร็จ เพราะเขาไม่ยอมรับการปลูกฝังบุคคลย่อมมีอิสระในการทำชั่วหรือทำดีตามอุปนิสัยของตนหรือฟรีวิล l l อย่างไรก็ตามมารดาบิดาที่ดีชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อบุตที่ดาอย่างประมาณมิได้เพราะได้ทุ่มเทความรักความปรานีความเสียสละให้แก่ลูกอย่างหาใครเสมอเหมือนมิได้เป็นเวลานานปี หรืออาจกล่าวได้ว่าตลอดชีวิตของท่านแต่มารดาบิดาก็ไม่สามารถช่วยให้ลูกดีได้ทุกคนลูกคนใดมีอุปนิสัยดีเลิศติดตัวมาเขาย่อมไม่เอาอย่างการกระทาที่เลวของพ่อแม่เพราะขัดกับอุปนิสัยของเขาและในไม่ช้าเขาก็ต้องปลีดตัวไปอยู่ในที่อันเหมาะสมแก่เขาจนได้นี่แหละกรรมเป็นแดนเกิดของตนมองให้ดีเถิด จะเห็นจริงตามพยานของพระพุทธเจ้าผู้่บรมศาสดาพ่อว่ามีกรรเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องนั้นอธิบายว่าพี่น้องโดยสายโลหิตของเราอาจช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างเป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเบียดเบียนกันบ้างเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันไปบางรายอยู่ห่างกันคนละประเทศคนละทวีปก็มี มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ช่วยกันไม่ค่อยทันถ้าช่วยทันเขาก็ช่วยได้เฉพาะในวิสัยของเขาเท่านั้นพ้นวิสัยแล้วเขาก็ช่วยไม่ได้พี่น้องกันแท้เมื่อเวลาสอบไล่จะสอบแทนกันก็ไม่ได้พี่ฉลาดน้องโง่น้องฉลาดพี่โง่ไม่แน่นอนแต่พวกพ้องเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองรักษาเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น คอยช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองจริงๆคือกรรมของเราบางคนพวกพ้องญาติพี่น้องไม่ดีแต่ตัวเขาเป็นคนดีบางคนญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์ดีตระกูลดีแต่ตัวเขากลับตกต่ำจนเข้าพี่น้องไม่ได้ก็มีทั้งนี้เพราะพี่น้องเผ่าพันธุ์ของเขาจริงๆคือกรรมของเขานั่นเองเขาจึงต้องอยู่กับกรรมของเขา พ่อว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือกรรมมาปฏิสรโนนั้นความว่าที่พึ่งอย่างอื่นให้บุคคลพักพิงได้เพียงชั่วคราวพ่อแม่เต็มใจให้เราพึ่งก็เฉพาะเมื่อเราอยู่ในปฐมวัยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้ายังพึ่งท่านอยู่อีกท่านก็รังเกียจคนอื่นก็ดูหมิน่นจะพึ่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้เป็นครั้งคราวพึ่งเข้าบ่อยนัก ก็ไม่พ้นการดูถูกดูหมิ่นติเตียนแต่กรรมของเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งได้ทุกๆุชาติคนที่กรรมไม่ยอมให้พึ่งแล้วถึงใครใอื่นก็ไม่อาจให้พึ่งได้มันมีอันให้วิบัติขัดข้องไปหมดส่วนคนที่กรรมอุปถัมภ์แล้วใครจะทำลายก็ไม่ได้ยิ่งกดยิ่งฟูยิ่งบางยิ่งเห็นยิ่งมีคนคิดร้ายยิ่งได้ดี เพื่อประกอบคำกล่าวนี้ขอนำเรื่องต่อไปนี้มาเป็นอุทาหรณ์เรื่องทำนองนี้มีเหตุผลพอเชื่อได้ว่าเกิดได้จริงเป็นไปได้จริงเมื่อมองกรรมในเหตุผลสายยาวแล้วเป็นเรื่องน่าใส่ใจมาก